พระวินันปิดกมหาวิพังภาคหนึ่งบรรยายโดยพระครูปลัดปราโมตสิริเตโชขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวรัญชะกันเรื่องเวรัญชะพราม หนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณควงต้นสเสดาอันเป็นที่อยู่ของณเลรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้ารรูปเวรัญชพรามได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสกยะบุตรเสด็จออกพนวดจากสกยะตระกูล ประทับอยู่นักวงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของณเรรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปท่านพระโคโดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้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 บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง